เทศบาลนครตรังเร่งหาวิธีกาจัดขยะเตรียมเปิดบ่อขยะเทศบาล20ธันวาคมนี้เมื่อเวลา9นาฬิกา30นาทีวันที่11ธันวาคมที่ห้องประชุมเอเนกประสงค์ชนนั้น1เทศบาลนครตรังนายอภิชิตวินุไทยนายกเทศมนตรีนครตรัง ร่วมประชุมชี้แจงและรับฟังข้อเสนอแนการปรับปรุงระบบกาจัดขยะของเทศบาล น, นครตรังโดยมีนายชลัดสุรินทร์รัตน์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักด็อกเตอร์พรสีสุดนารักผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่15ภูเก็ต สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตัวแทนชุมชนในเขตเทศบาล น, นครตรังและตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนท้องถิน่นรอบเขตเทศบาล น, นครตรังร่วมประชุมรับฟังมีนายนาพรเทียนประสิทธิ์กรรมการผู้จัดการบริษัทเอนไวเทคคอนซันแตน จำกัดในฐานะที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดเพื่อการก่อสร้างระบบกาจัดขยะแบบผสมผสานและระบบบำบัดน้ำเสียระยะสามเป็นผู้ให้ความรู้นายอภิชิตกล่าวว่าจากที่เทศบาล น, นครตรังมีความจำเป็นต้องปิดบ่อเพื่อ จัดการปัญหาขยะตกค้างที่มีจำนวนมากจนล้นบ่อขยะซึ่งได้ขอความร่วมมือกับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียงจานวน27แห่งงดการทิ้งในเขตเทศบาลซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีโดยทางเทศบาลได้มีการจัดการปัญหาขยะไปได้เกือบสมบูรณ์แล้ว มีการว่าจ้างที่ปรึกษาการกำจัดขยะและน้ำเสียที่ถูกวิธีขณะเดียวกันก็ได้มีการชี้แจงทำความเข้าใจในการแก้ปัญหาให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยในวันนี้จะมีการทำประชาพิจารณ์มีการเชิญตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง และตัวแทนชุมชนในเขตเทศบาล น, นครตรังมาร่วมรับฟังด้วยนอกจากนั้นนายอภิชิตยังกล่าวต่อว่าทางเทศบาลได้มีการมอบหมายการแก้ปัญหาขยะล้นบอ่อจากความดูแลของกองสาธารณสุขเทศบาลมาอยู่ในความดูแลของช่างสุขาพิบาลโดยตรง ซึ่งมีเครื่องมือและความพร้อมในการทํางานมากกว่าน่าจะเป็นการดูแลเรื่องดังกล่าวได้ดีขึ้นนายกเทศมนตรีนครตรังยังกล่าวถึงการกําจัดขยะว่าที่ผ่านมาเทศบาล น, นครตรังได้ไปศึกษาดูงานดูแนวคิดและวิธีการในการกําจัดขยะจากหลายที่ จึงนำเอาแนวคิดที่ได้มาปรับใช้เช่นวิธีการกำจัดขยะเก่าส่วนขยะใหม่ก็หาวิธีกำจัดที่ถูกวิธีเพื่อให้กองขยะมีขนาดเล็กลงอีกทั้งมีการเพิ่มระดับความสูงขึ้นอีกหนึ่งชั้นเพื่อรองรับขยะที่อาจจะเพิ่มขึ้นในอนาคตเพราะหลังจากนี้จะเปิดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน24แห่งที่ลงนามใน MOU กับเทศบาล น, นครตรังไว้สามารถนำมาทิ้งในบ่อขยะได้ตามปกติโดยน่าจะเปิดให้บริการได้ตั้งแต่ช่วงสิ้นเดือนนี้เป็นต้นไป